FM 89.5 ็มแปสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี RMU TT Farm Shop ยินดีดต้อนรั บ, รบค่ะ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 เชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพื่อนเตือนภัยผู้ดำเนินรายการอาทิตยาปกรทานังสร้างสารรค์และผลิตรายการ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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราพบกันนะคะในทุกๆวันพรรหั ส, สบดีช่วงเวลา4นาฬนาทีถึง5นากทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะคะอทิตยาปักธทานังรับหน้าที่ในการดำเนินรายการแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมีเคสข้อมูลที่น่าสนใจ นำมาพูดคุยกันค่ะ ช่วงนี้นะคะกู้ฟังค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ากู้ฟังเองที่เป็นลูกค้าของธนาคารมีการเจอในกรณีแบบนี้หรือไม่แต่วันนี้ที่ฉันมีเรื่องราวนะคะที่จะนํามาเตือนกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับอีเมลซึ่งเป็นพุชชิ่งเมลนะคะเป็นอีเมลที่หลอกลวงให้กดคลิกเข้าไปแล้วก็ลวงข้อมูลของผู้ใช้หรือว่าลูกค้าที่คิดว่าเป็นอีเมลจากทางธนาคารจริงนะคะล่าสุด ธนาคารกรุงเทพเองได้ออกมาเตือนภัยประชาชนนะคะระวังอีเมลระบาดหนักตอนนี้นะคะแล้วก็แนะนํา3ข้อห้ามในการที่จะหลีกเลี่ยงนั่นเองค่ะรายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้มีกลุ่มวิชาชีพนะคะมีการส่ง SMS MMS หรือว่าข้อมูลนะคะเป็นอีเมลหลอกลวงหรือจะทําหน้าจอป๊อปอัพนะคะแอบอ้างว่าเป็นธนาคารให้ผู้รับกรอกข้อมูลส่วนตัวดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมลงบนโทรศัพท์ มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนั้นมีไวรัสแล้วก็มีโชจันสามารถที่จะขโมยรหัสประจําตัวรหัส ร, รับส่วนตัวแล้วก็รหัสผ่านครั้งเดียวหรือว่า OTP ซึ่งมีการส่งกันผ่านทาง SMS นะคะเพื่อหลักลอบเข้าทํำธุรกรรมโอนเงินออกจากบัญชีของท่านผ่านประการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ท่านไม่ทราบค่ะเพราะว่าท่านจะไม่ได้รับ SMS แจ้ง OTP แต่อย่างใดเนื่องมาจากว่ามีการเจาะเข้ามาในระบบของท่าน แล้วนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเองนะคะในการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านอุปกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะคะธนาคารก็มีการขอความร่วมมือตามนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์หรือ URL ซึ่งแนบมากับ SMS MMS หรืออีเมลหรือหน้าจอป๊อปอัพที่มีการหลอกลวงค่ะหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมทางการ ผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือ jailbreak สำหรับ iOS นะคะแล้วก็ root สำหรับระบบของ Android นั่นเองนอกจากนี้นะคะควรมีการติดตั้งแอปพลิเคชันน ะ, ะในการป้องกันไวรัสบนโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นี้ก็สามารถที่จะใส่ตัวสแกนไวรัสได้นะคะโดยเฉพาะการใช้ทำาตรกรรมออนไลน์ค่ะ โดยธนาคารเองนะคะมีการยืนยันว่าธนาคารกรุงเทพไม่มีนโยบายนะคะในการส่ง S M S M M S หรือว่าอีเมลนะคะขอให้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆสำหรับ ทําธุรกรรมของธนาคารหรือไม่เคยนะคะมีการจะทําหน้าจอป๊อปอัพให้กรอกข้อมูลส่วนตัวดังนั้นถ้าหากว่าคุณฟังเองนะคะเป็นลูกค้าของธนาคารแห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้รับ SMS MMS หรืออีเมลในการให้ยืนยันตัวตนต่างๆเนี่ยนะคะต้องหยุดคลิกลิงก์เลยค่ะไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแก ร, รมนะคะที่คุณสงสัยนะคะหรือถ้าหากว่าเจอความผิดปกติรู้สึกว่าไม่คุ้นเลยนะคะหยุดทํารายการทันทีค่ะแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ทันทีที่บูรลงโฟนนะคะสอบถามได้ที่1 3 3 3กด1041นะคะทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจากเว็บไซต์ประชาชาติค่ะ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องระวัดระวังนะคะเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีข้อมูลนะคะมีอีเมลส่งมานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะสหรับวิชาชีพก็จะส่งอีเมลว่าว่าคุณมีแบงกิง้งคุณมีปัญหานะคะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะธนาคารออนไลน์คุณมีปัญหาหรือว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของ ระบบภายในธนาคารมีปัญหาเรื่องของบัญชีเงินฝากให้ไปยืนยันตัวตนส่งลิง์แน่มาด้วยในอีเมลนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าไม่ใช่ความจริงน ะ, ะเป็นอีเมลหลอกลวงหรือเรียกกันว่าพุชชิ่งนั่นเองนะคะดิฉันก็ได้รับอีเมลของธนาคารเนี่ยหลายครั้งด้วยกันว่าวางซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการไม่กดเข้าไปอ่านนะคะก็อาจจะมีการกดรีพอร์ตก็ได้นะคะในการยืนยันว่านี่คืออีเมลที่เป็นอีเมลพุชชิ่งหรือว่าเป็นอีเมลปลอมหลอกลวงเพื่ออ่า ล้วงเอาข้อมูลนะคะของผู้ที่หลงเชื่อนั่นเองค่ะอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเราไปกันที่เรื่องราวของหญิงสาวท่านหนึ่งเธอได้เล่าอุทาหรณ์นะคะจากการที่เธอเนี่ยเดินทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะซึ่งเธอเล่าเหตุการณ์บอกว่าเจอผู้ชายโรคจิตกระชากแขนขอดมกลิ่นบนรถไฟฟ้ากระทำมาหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยออกมาเล่าเหตุการณ์เพื่อเตือนผู้โดยสารท่านอื่นให้ระมัดระวังค่ะ เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะผู้ใช้เฟซบุ๊ก นาภศร น, นะคะก็มีการโพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์เตือนอุทาหรณ์กับปิ๋งสาวนะคะที่มีการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ประจำนะคะโดยเธอเนี่ยบอกว่าโปรดระวังผู้ชายโรคจิตที่ขึ้นมาจากสถานีบางจากมีพฤติกรรมชอบฟังเพลงเสียงดังจากนั้นก็เดินมานั่งใกล้กับผู้ที่มาเล่าเรื่องเนี่ยนะคะแล้วก็ทําเสียงแปลกๆจนต้องบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานค่ะเมื่อใกล้ถึงสถานีที่ต้องการจะลงผู้ชายโรคจิตก็เดินเข้ามาจับแขนและก็พูดว่าหอมหอมจัง หอมมากดมหอมขอดมหน่อยโชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะยัง ก, ก็ตามแล้วค่ะผู้โพสต์เองได้สอบถามกับพนักงานประจำสถานีนะคะก็ได้ความว่าผู้โดยสารเนี่ยมีการบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยอครั้งนะคะแต่ยังไม่สามารถจับตัวชายโรคจิตนี้ได้ก็เลยฝากเตือนภัยสังคมเอาไว้ด้วยนะคะถ้าพบเจอกับผู้ชายลักษณะ แบบที่เล่านี้นะคะควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คาดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีอาการทางจิตก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปถึงผู้ดูแลด้วยว่าไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยนั้นออกมาเดินเพียงลำพังค่ะ เดินทางยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ได้มีแค่เคสนี้ที่ได้เล่าถึงเท่านั้นนะคะมิจฉาชีพบนรถไฟ้าอาศัยช่วงลาชีเป็นเร่งด่วนแล้วก็เบียดเสียดกันขโมยของก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวอยู่เสมอแล้วก็นําสัมภาระนะคะกระเป๋าสะพายด้านหน้านะคะเพื่อง่ายต่อกันที่เราจะได้ระมัดระวังตัวเองด้วยแล้วก็ไม่เป็นที่เกะ ก, กะกับคนรอบๆข้างเราด้วยค่ะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้าเราจะมาติดตามข่าวคราวจากทางของ D ีอนะคะหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีกรณีเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเทคโนโลยีหลายกรณีด้วยกันเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวกันนะว่ามีเคสอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชันชุดที่สองกับเพื่อนเตือนภัยนะคะในช่วงนี้เรามีกรณีที่เกิดขึ้นนะคะเราก็มีการจับกลุ่มจากข่าวคราวนะคะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดี ะะผลงานล่าสุดเนี่ยก็คือการที่มีการติดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะหรือว่า a n t i f a เ e News Center เรนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องของข่าวปลอมด้วยและให้ประชาชนก็เป็นหูเว้นตาในการที่จะแจ้งเรื่องเข้ามาทางรัฐบาลกันด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของ DES และป อ, อทอได้ร่วมกันนะในการถแถลงนะเกี่ยวกับความร่วมมือปราบปรามพกกู้กรําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งคดีแรกนะคะมีการจับกลุ่มนายกุมภาปุ๋ยฝ้ายนะคะอายุ29ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาเมื่อเดือนตุลาคมของปีนี้นะคะข้อหาเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบส่งข้อมูลรบกวนการใช้งานคอมพิวเตอร์และส่งต่อข้อมูลลามก อ, อนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่แขวงช่องนนทรีเขตยานวากรุงเทพมหานครนะคะพร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยและมีกระแสการร้องเรียนบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกแฮ ไลน์เฟซบุ๊กไปใช้ยืมเงินจากเพื่อนหรือคนรู้จักของเหยื่อนะคะหรือนําไปโหวตให้คะแนนการประกวดโดยอ้างว่าเป็นรู้จักนะฮะเพื่อลวงอ่าหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวไปซึ่งจากการสืบสวนติดตามนะคะก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยทาลิงก์เว็บไซต์ลามกลิงไว้ให้วยแฝงโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะส่งไปล่อลวงเหยื่อให้กดเข้าเว็บจากนั้นข่ากว่าฟังขาก็ไปดูดข้อมูลส่วนตัวนะคะจนเกิดความเสียหายกับเหยื่อหลาย10บรายมูลค่าเนี่ยเป็นเงินนับแสนบาทเลยนะคะ ผู้ต้องหาค่ะนายกุมภาให้การรับสา ร, รภาพบอกว่าแม้จะมีการศึกษาเพียงระดับมัธยมแต่ก็ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตจึงสามารถสร้างลิงก์แฝงโฆษณาขึ้นมาเพื่อรับเงินจากยอดคลิกของลิงก์ดังกล่าวนานกว่า4เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เองนะคะก็เตือนประชาชนนะคะควรมีการไปตรวจสอบข้อมูลในไลน์ของตัวเองกันด้วยทําได้อย่างไรนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการกดเข้าไปที่การติดตั้ง นะคะ การติดต <an> ั <t iny> <an> ้งแล้วเลือกบัญชีผู้ใช้งานจากนั้นนะคะอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบหากอุปกรณ์ใดที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนให้ดูเลยค่ะให้กดออกจากระบบหรือว่า l o อก o u t เลยนะคะรวมถึงประชาชนเองต้องมีการติดตั้งตั้งค่าการยืนยันตัวตน2ชั้นซึ่งหาข้อมูลได้จาก Google เสิร์ชได้เลยนะง่ายๆจะมีวิธีการในการแนะนำในนั้นจะละเอียดกว่านะคะหากพบผู้ใช้งานไลน์กรนในกลุ่มไลนและมีการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลสณะแบบนี้นะคะสามารถแจ้งบ แต่มาที่ศูนย์ต่อต้านความปลอมอขออภัยค่ะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า Anti-Fake News c e n t e นนะคะทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ Anti-Fake News Center.com นะคะหรือว่าที่หมายเลข 02-288-800 ส 0, 0ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการสืบสวนปราบรามต่อไปค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นการจับกลุ่มนายทัตถพงศ์ พรมพี่มานนะคะอายุ34ปีมีการโกงคะแนนสะสมแต้มของผู้ให้บริการทรศัพท์ตามหมายจับศารอาญาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงและเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งสามารถจับกลุมตัวได้ที่ย่านเสาธงหินนะคะเทียมเผอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณพุทิพงศ์ปุณกันเองบอกว่าภายหลังจากติดตั้งตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะก็เปิดทำการมาแล้วมากกว่า30วันได้มีการคัดกรองข้อมูลข่าวปลอมมาแล้วนะคะ12391เรื่องมี 50,000 50,000 เรื่องนะคะที่มีนามนมจะเป็นข่าวปลอมแล้วก็มีการยับยั้งการเผยแพร่ได้กว่า 30,000 เรื่องแล้วค่ะคงเหลืออยู่ที่7 9 6 2เรื่องที่ยังเป็นข่าวปลอมก็เป็นเรื่องของยาเสพติดภัยพิบัติการเงินความมั่นคงของประเทศแล้วก็นโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งมีจํานวนมากน้อยตามลําดับเลยค่ะก็จะมีการนําข้อมูลดังกล่าวนี้มาติดตามเฝ้าระวังผู้ที่ไม่หวังดีร่วมกับทางด้านของ อกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอก่ออทด้วยนะคะส่วนในอีกเคสหนึ่งซึ่งก็เป็นความร่วมมือของสองหน่วยงานนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเคสของการจับกลุ่มแฮกเกอร์หลอกรับสมัครงานไปปลอมเฟ e บุ o กค่ะไปยืมเงินนาน3ปีเลยวงเงินหมุนเวียน34ล้านบาทค่ะ งานนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกรปรอทออและกระทรวงและกระทรวงดิจิทานเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่ า, า DES นั่นเองนะคะก็ร่วมกันเผยการจับกลุ่มนายวุฒิวัตรชื่นมโนอายุ22ปีนายชวนกรระงับภัยอายุ23ปีพร้อมของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน2เครื่องและสิ่งกีดจํานวนหลายรายการเลยนะคะโดยจับกลุ่มตัวของนายวุฒิวัตรได้ที่ ที่อำเภอเมือง จ, จังหวัดจันท บ, บุรีและจับ ก, กลุ่มตัวนายชวันกรได้ที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคะผู้เสียหายจํานวนมากค่ะมีการแจ้งความปอทอนะคะเพราะว่าถูกคนร้ายก็คือนายวุฒิวัตรเนี่ยหลอกลวงนําข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะวิธีการค่ะก็คือการสร้าง Facebook ปลอมแล้วก็ไปโพสต์ข้อความรับสมัครงานในกลุ่มรับสมัครงานตาม Facebook ต่างๆเมื่อมีเหยื่อมาลงเชื่อหหวงังเขาก็มีการสมัครนะคะ ไปใส่ข้อมูลเป็นภาพถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แจ้งว่าจะติดต่อกลับไปในภายหลังนะคะโดยคนร้ายเองค่ะก็นําข้อมูลที่ได้เ น, นี่แหละไปสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นคนร้ายก็ทําการแฮก Facebook แล้วก็ส่งข้อความไปขอยืมเงินเพื่อนของผู้เสียหายโดยให้โอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่นําข้อมูลคนอื่นไปเปิดเอาไว้เมื่อได้เงินนะคะก็จะนําเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อรหัสเงินสดเช่นบัตรเงินสดที่ไว้เติมหรือซื้อของหรือไอ เมในเกมออนไลน์แล้วก็โลกโซเชียลค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการนำรหัสเงินสดเนี่ยไปให้ นายชวันกรซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งนำไปขายในกลุ่มคนเล่นเกมออนไลน์ได้ส่วนแบ่ง10เซต่อมานายชวันก ร, กรก็จะโอนเงินกลับไปยังกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของนายวุฒิวัตรอีกชั้นหนึ่งค่ะล่าสุดนะคะพบว่ามีการโอนกลับไปให้ในายวุฒิวัตรแปล้านบาทและตรวจพบเงินหมุนเวียนประมาณส4ล้านบาทนะคะเบื้องตน้นนายวุฒิวัตรให้การรับสา ร, รภาพว่าก่อเห็นสนะแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2 5ง9ถึงปัจจุบันค่ะล่าสุดนะะหนุมานที่12พฤศจิกา ย, ยนที่ผ่านมาเนี่ การนี้ค่ะนำข้อมูลเหยื่อเนี่ยไปเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะ241เบอร์โทรด้วยกันซึ่งทางด้านของบอกปทอเองก็ฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะที่สนใจในการสมัครทำงานผ่านทางออนไลน์ระมัดระวังภัยนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดีโดยไม่รู้ตัวค่ะการสมัครงานออนไลน์นั้ น, นาวิธีการที่ถูกต้องนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะให้ส่งข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะ บัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์แล้วให้ทําธุรกรรมการเงินผ่านบัญชีของเราต้องระวังว่าถ้ามีการเรียกร้องข้อมูลเหล่านี้ที่ได้ฉันพูดถึงมาคุณผู้ฟังคะนี่อาจจะเป็นการที่ทําให้เราตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของบิจชาชีพถูกลวงข้อมูลไปกระทําความผิดได้นะคะข้อ2คะ่ะห้ามส่งข้อมูลบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์รหัส OTP ที่ให้กับบุคคลอื่นนะคะ 3. คะ่ะกรณีที่มีเพื่อนใน Facebook นะฮะหรือว่าในแอปพลิเคชัน Line ส่งข้อความมายืมเงินต้องติดต่อกลับไปที่เพื่อนคนนั้นและคนคนนั้นหรือวิดีโอคุยกันเลยนะคะวิดีโอคอลให้ได้ยินเสียงให้ได้เห็นหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเพื่อนเราขอยืมเงินเราจริงหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจอย่าเพิ่งให้ยืมเลยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้และสุดท้ายก็คือไม่ควรตั้งรหั Facebook ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เพราะว่าคนร้ายจะนิยมสุม่มทางสุ่มเสียงสุ่มในการขา ะะสุ่มทายพาสเวิร์ดของคุณได้นั่นเองนะคะ <c oughs> เบื้องต้นในเคสนี้ค่ะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจากผู้จัดการออนไลน์นะคะ ก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ผู้ฟังฟังว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเคสที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางบกปทและดีเอสนะคะมีการจับกลุ่มเนี่ยเป็นเคสใกล้ตัวทุกเคสนะคะสิ่งสําคัญเลยอย่างที่บอกก็คือต้องระมัดระวังและต้องตรวจสอบประจําว่าการที่มีคนอาจ โทรศั์เข้ามาหรือว่า Facebook, Inbox หรือว่าไลน์มาเพื่อขอยืมเงินหรือแม้แต่ให้เราก่อข้อมูลอะไรก็ตามนะคะต้องมีคำถามแล้วว่ามันจะต้องไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็นำมาฝากกันเอาไว้นะคะเป็นข้อมูลในช่วงนี้ค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะกู้ฟังค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่กาลสิน เป็นาสาวท่านหนึ่งนะเป็นลูกจ้างร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่ดีๆเนี่ยเจอชายปริศนาเข้ามาต่อยจนหมวกกันน็อกหลุดเลยค่ะเราไปถึงเรื่องราวของการเตือนภัยใครชอบเล่นโทรศัพท์มือถือนะฮะระวังอาจระเบิดและโดนไฟช็อตเสียชีวิตได้ติดตามในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ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 เพื่อนเตืนภัยในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ เรื่องราววันนี้นะจะมาเล่ากันฟังนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะคะที่กาลสินค่ะกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปชกผู้หญิงนะคะที่ขี่รถจัก ร, รยายนยนต์จอดติดไฟแดงบริเวณ4ี่แยกทุ่งมนถนนบายพาสอำเภอเมืองกาลสินนะคะก่อนจะมีชายวัยรุ่นเป็นพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปช่วยแต่กลับถูกชายปีศาจรัวห ม, มาต่อยไม่ยั้งทําให้รถจัก ร, รยายนยนต์ล้มลงซึ่งพลเมืองดีก็ไม่ได้ตอบ โตนะคะก่อนจะขับขี่รถจกักรยานยนต์ออกไปนะคะ เรื่องเหล่านี้นะคะเปิดเผยโดยคุณทิพวรรณปรีพัฒนะคะอายุ39ปีเธอเป็นลูกจ้างร้านขายกว๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน์ค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะแล้วก็น้องจิตประกออุ่นบุญอายุ16ปีเป็นนักศึกษาชั้นปวช2วิทยาลัยเทคนิคกาลสิน์ซึ่งน้องนะคะเป็นหนุ่มวัยรุ่นพลเมืองดีค่ะที่อยู่ในคลิปก็มีการไปแจ้งความนะคะกับร้อยตำรวจโทจิรายุวงวิวัฒน์พนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสินนะคะ เพื่อดําเนินคดีกับชายปีชนาที่ทําร้ายร่างกายแล้วก็ฝากเตือนภัยสังคมด้วยค่ะโดยนะฮะเรื่องราวนี้คุณทิพวันบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงเย็น8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เลิกงานแล้วก็ได้ขี่รถเก๋วยยนต์เนี่ยเดินทางกลับบ้านกระทั่งมาจอดิดไฟแดงที่สีแยกทุ่งมนอยู่ๆนะก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเดินมาชี้หน้าต่อว่าด้วยถ่อยคําหยาบคายก่อนจะชกมาที่ใบหน้าของตนหลายครั้งจนหมวกกันน็อกหลุดทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ทั้งที่ว่ามีน้องผู้ชายนะคะก็คือน้องจิตประกรเนี่ย เป็นพลเมืองดีนะคะจอดติดไฟแดงเช่นเดียวกัน ร, รถจักยานยนต์ก็เข้ามาห้ามแต่กลับถูกชายสนาคนดังกล่าวในต่อยแล้วก็รัวหมัดไม่ยั้งเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ต้องรีบพากันขี่รถหนีค่ะเนื่องมาจากว่ากลัวว่าชายคนดังกล่าวจะมีอาวุธแล้วก็ทำร้ายร่างกายไปมากกว่านี้นะคะยกงก็ตามแล้วค่ะขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณทิพวรรบอกว่าไม่ทราบว่ามีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้กระทั่งมาทราบทางโซเชียลก็ตัดสินใจที่จะเข้าแจ้งความกับตํารวจนะคะเพื่อเตือนภัยผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวเนื่องจากทราบ ว่ามีเหตุการณ์สนับแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะ ซึ่งเมื่อมีการสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์นะคะที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็มีการระบุบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะคะได้ถ่ายเอาไว้ขณะเดินทางกลับบ้านจอดรถติดไฟแดงเนื่องจากว่าเห็นผู้ชายเนี่ยเข้าไปทําร้ายร่างกายผู้หญิงและทําร้ายน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการนําคลิปมาโพสต์เตือนภันะคะเพราะทราบว่าที่บริเวณสี่แยกนี้และบริเวณใกล้เคียงผู้ชายคนนี้ค่ะมักจะมีลักษณะพฤติกรรมก็คือชอบเข้าไปทําร้ายร่างกายโชคต่อยชาวบ้านที่ติด ไฟแดงอยู่นั่นเองค่ะอาจจะมีปัญหาในรั่นของสุขภาพจิตหรือเปล่าอะไรยังไงต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะมีการจับตัวคนรายได้หรือไม่นะคะ ทิ้งท้ายกันค่ะสำหรับใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะต้องฟังกันสักหน่อยว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือไม่ควรเล่นตอนชาร์จแบตนะคะล่าสุดค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะซึ่งทางแฟนเพจ a c e b o o k เองมาเตือนภัยค่ะสําหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือขณะชาร์จแบตเสี่ยงเกิดการระเบิดและโดนไฟช็อตเสียชีวิตได้นะคะผู้ฟังค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีเคสที่เราเห็นกันนะคะอย่างเช่นการใช้สมาร์ทโฟนขณะชาร์จแบต ปี2องพนม ค, ค่ะก็มีข่าวดังแอร์ o ฮสเตสชาวจีนนะคะเสียชีวิตขณะใช้โทรศัพท์ที่มีการเสียบชาร์จแบตเตอรี่อยู่และเมื่อเร็วนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะาะที่ อายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครสิทธยาค่ะเสียชีวิตเพราะว่ากระสไฟฟ้ารั่วนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการช็อตนั่นเองขณะที่กําลังที่อ่าเล่นโทรศัพท์มือถือตอนที่เสียบสายชาร์จไปด้วยนะคะล่าสุดค่ะเพจเฟซบุ o กนะคะชมรมหลวงปู่หลิวครับไทยแลนด์ก็ออกมาเตือนภัยนะคะการเล่นโทรศัพท์ขณะชาร์จแบตเตอรี่โดยมีการระบุนะคะบอกว่าขอความกราณาอ่านจนจบนะครับขอร้องจากใจจริงยาวนิดแต่เกี่ยวข้องกับท่านและครอบครัวของท่าน โดยตรง ลหลายท่านรู้จักแค่ว่าผมคือแอดมินกลุ่มพักเครื่องแต่วีธีสิ่งหนึ่งที่หลายท่านไม่รู้ผมเคยเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งมาสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ผมเคยเปิดร้านขายมือถือผมเคยเป็นช่างซ่อมมือถือผมเคยเป็นอาจารย์สอนซ่อมมือถือผมเชื่อว่าทุกท่านเคยชาร์จโทรศัพท์ไปพร้อมกับเล่นไปผมขอเตือนด้วยความห่วงใยจริงจริงครับเลิกทําแบบนี้นะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตจริงๆลหลายๆท่านคงเคยเห็นข่าวที่ออกมาบ้างว่ามีคนเสียชีวิตจากการชาร์จไปเล่นไปแต่ทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกกลัวกันเลยจริงๆวันนี้ ผมจะมาบอกให้ฟังว่าทำไมต้องกลัวโดยแอดมินท่านนี้นะคะก็มีการระบุนะถึงเรื่องราวนะคะว่าทำไมนะคะการชาร์จแบตทรศัพท์นะคุณผู้ฟังถึงทำให้เกิดอันตรายนะะในการใช้โทรศัพท์ไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยนะคะ โดยก็มีการอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าไฟบ้านที่เราใช้กันอยู่คือ220โวลต์แค่นี้ก็ตายได้แล้วเมื่อเสียบที่ชาร์จวงจรจะปรับระดับเป็น310โวลต์แล้วจ่ายเข้าไปทช่หัวชาร์จตัวนี้จะแปลงไฟจาก310โวลต์ให้เหลือแค่5โวลต์แล้วจ่ายไฟผ่านสายเข้ามือถือ ในหัวชาร์จมีฉนวนที่เป็นเทปสีเหลืองกั้นไฟระหว่าง310โวลต์กับ5โวลต์เอาไว้ถ้าเราเล่นปายชาร์จไปหัวชาร์จจะร้อนฉนวนเทปสีเหลืองที่กั้นไฟก็จะละลายเมื่อละลายไฟ310โวลต์จะวิ่งหาตัวท่านทันทีนทโดยที่ท่านไม่มีโอกาสได้ปล่อยมือไม่มีโอกาสแม้กระทั่งเรียกร้องให้คนมาช่วยท่านจะไม่มีโอกาสมีลมหายใจอีกต่อไปกระบวนการนี้ใช้เวลาเร็วมากในการที่จะทําให้ท่านจบชีวิตลงด้วยความห่วงใยจริงๆขอเถ้าครับก่อนที่มันจะสายเกินไปไม่อยากให้เกิดขึ้นกับท่านและว กลัวจริงๆขอแค่นี้เพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนี่ก็คือข้อความที่ระบุนะคะในแฟนเพจเฟซบุ o กนะคะของชมรมหลวงปู่หลิวคลับไท a แลนด์ซึ่งแอดมินหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นค่ะจากดรนิรุตพรมบุตรนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ให้ความรู้นะคะในกรณีแบบนี้บอกว่าปกติแล้วค่ะเมื่อฟังค่าเวลาที่เราใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีความร้ รอนเกิดขึ้นนะคะและหากเราใช้งานในลักษณะขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยก็จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนะคะการชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยก็ทําให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นเรื่อยๆสอทางโอกาสที่จะระเบิดก็จะสูงกว่าการใช้งานตามสภาวะปกติค่ะนอกจากความร้อนสะสมนะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดการระเบิดแล้วอีกหนึ่งปัจจัยก็คืออุปกรณ์นะคะคุณภาพของอุปกรณ์ในการชาร์จค่ะถ้าหากเป็นอุปกรณ์ของแท้ที่ได้มาตรฐานโอกาสในการเกิดระเบิดก็จะน้อยลงนะคะโดยมีสี่ว ทีในการสังเกตอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานง่ายๆสังเกตจากตรารับรองมาตรฐานนะคะสังเกตร้านค้าที่คุณไปซื้อสังเกตจากระดับราคาและสังเกตการรับประกันค่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกรณีของโทรศัพท์ระเบิดหรือว่าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งถึงขั้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องระมัด ร, ระวังก็คือ ถ้าเกิดว่าเราะะยังคงติดนิสัยในการนอนเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยก็ขอให้ยกเลิกแบบนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านั้นให้หายขาดนะคะถ้าจำเป็นจริงๆต้องใช้ขณะชาร์จอาจจะมีการใช้โดยการเสียบแบตสำรองแทนนะคะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้เป็นกรณีที่คุณจำเป็นเท่านั้นค่ะ นี่แหละค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะที่นํามาพูดคุยกันแบบเต็มๆนะฮะในเพื่อนเตือนภัยค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่นะคะในเช้าๆของวันพระรษฐบดีทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีนะคะวันนี้อาทิตยาปากกทานังและทีมงานลไปก่อนขอบคุณสักการ์ติดตามรับฟังเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม AmuT moving towards innovative university.